จัดอบรมทางยุโรปทำใร้การจะโจะจินกันที่สาครึ่งทำละส่วนตัวครึ่งชั่วโมงก็ที่สจากที่4ถึงที่หนี่ก็ให้วิการจเจริญสติแบบะะเดียวขาบางเจริญสติแบบชี ก, กงุ่มบางจเจริญสติแบบกายภาพบำบัด แต่หลังมาก็จเจริญสิทธิแบบมหาศีภัยในโยค้านี่ก็มีหลายตระกูลของหมอเขียวของหมอแพทย์พงของหลายตระกูลก็ผสมผสานกันเพื่อทำให้ร่างกายเพราะที่นาอากาศหนาวอากาศหนาวมากที่ข้ามไปที่แค น, นาดาก็าหนาวก็ จะทำอย่างนี้ที่สี่ที่ห้าชั่วโมงหนึ่งการกายภาพบำบัดการผ่อนคลายที่ห้าก็ทำวัดนิดหน่อยห้านาทีสิบนาทีทวัส้นใหญ่ก็เป็นทวัดเป็นภระาังกฤษนะสติปัฏฐานแปลจากนั้นก็ฟังธรรมยายสุ น, นาทธรรมถามปัญหา คือเราจะมุ่งเคลียทุกอย่างในช่วงสามวันนะทาความเข้าใจข้อสงสัยเรื่องของปริยัตเรื่องของขนุนธรรมเนียมประเพณีเรื่องของพุทธประวัติของเรื่องอะไรต่างเนะี่ยก็ทําให้เส็จภายในสามวันอสี่วันแล้วก็นั่งปฏิบัติบางทีแล้วก็ไม่มีการถวัดชงไทยมาก็ตัดโยคะออไปหมายความว่าจะชงเก็บอารมณ์สักสองสามวัน ตื่นขึ้นมาเข้าที่ใครที่มันทำหันหน้าเข้าฝามุมใครมุมมันไม่ได้นั่งมาเป็นกลุ่มกรจัดที่ใครที่มันเอาไว้เสร็จแล้วถึงเวลาจะเข้าที่โดยเฉพาะที่เอาเองนี่จะพวกเป็นพวกกลุ่มหมอพยาบาลซึงพวกนี้ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านอภิธรรมด้านหนังสือพุทธธรรมของเจ้าคุณประยุทธ์ลูกศิษย์ พวกธรรมยุททั้งหลายเนี่ยเขามีประสบการณ์ด้านมาแต่เขาไม่ได้ลงมือทําเป็นเรื่องเป็นราวนะทำนิด ๆ, นดๆหน่อยๆเช้าสิบนาทีเยน็นครึ่งชั่วโมงอะไรแบบของนั้ น, นเขามีหลักด้านปริยัติความรู้เกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาดีแล้วพอมาทําก็าเพิ่มตัวศรัทธาและความเพียรเท่านั้นเพราะตัวปริยัติเขามีอยู่แล้วก็มารำ ก็เป็นข้อหนึ่งที่เป็นข้อเสียเปรียบ ข, ของเราของพวกเขาก็คือความความอดทนน้อยนะฮะเนื่องจากโครงสร้างร่างกา ย, ยาต่างคนทุกคนที่นั่นทำงานอยู่กับโต๊ะไม่เคยได้ออกกำลังกายอย่างเี้ยพอมาทำก็นั่งได้ไม่นานทีละห้นาทีสิบนาทีก็ดิ้นกันพลาดพาดทีนี้ก็หาวิธี ก็คือเอาโยคะกายภาพบําบัดเข้ามาช่วยแล้วก็เรื่องอาหารช่วงเช้าก็จะเป็นอาหารพวกผักผลไม้ช่วงกลางวันก็จะเป็นอาหารมังสวิรัติช่วงเย็นโดยพืช พ, พวกน้ําผักปั่นน้ําถั่วปั่นอะไรพวกนี้ก็รีสิสก็เกบานะก็ได้ผลส่วนใหญ่เป็นส่วนเป็ น, เ ป, นเป็นเฉพาะตัวข้อมูลเฉพาะตัวเนี่ยใครอย่างสามสี่วันแรกเนี่ยเรื่อง ความเข้าใจเรื่องรูปนามเนะี่ยต้องชัดเจนต้อชัดเจนช่วงหลังมาก็ทําความเข้าใจเรื่องการเห็นรูปนามชัดไม่ชัดในส่วนไหนที่เป็นเป็นรูปที่เกี่ยวข้องด้วยด้วยตั้งแต่รูปตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกิริสัมผัสอารมณ์ต่างๆเป็นรูปทั้งหมด ส่วนอารมณ์คิดมันก็เป็นรูปชนิดหนึ่งรูปของความคิดหรือรูปของนามารูปรูปนามนามารูปนามล้วนล้นรูปล้วนๆ้วนเนี้ยก็แยกกันให้ชัดอันไหนเป็นเหตุของทุกข์ถ้าเป็นเฉพาะนามรูปก็ดีรูปล้วนๆ้วนามล้วนๆ้นมันก็เป็นสภาวะที่เป็นจริงที่เป็นปรมาจารย์แต่ส่วนตัวเดียวที่เป็นเหตุของทุกข์เป็นสมุทัยคือนามารูป คือในส่วนที่มันคิดขึ้นมาความความคิดที่ปรากฏขึ้นมาในใจเป็นภาพอย่างสมมุติเราดูภาพสไลด์หรือภาพนิ่งเนี่ยขึ้นมาปุ๊บภาพที่มันนิ่งอยู่กับที่เนี่ยยังมีปัญหาอะไรเหมืนอนจอเปล่าแต่พอเริ่มเครื่องทํางานปับ๊บเครื่องใช้ทํกอางปั๊บภาพนิ่งไงก็กล า, ายเป็นภาพที่มีแอคชั่นละนะคือแสดง เป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปโดยนั้นเทขาหมายถึงนามารูปหมายถึงมันเวิร์คมันทํางานร่วมกันมันมันสร้างเรื่องสร้างราวแต่ภาพที่ปรากฏจอภาพนิ่งๆเนี่ยเป็นภาพสไลด์โชว์นะเหมือนภาพที่เราถ่ายเนี่ยเพราะฉะนั้นบามทีภาพที่เราถ่ายออกมาปุ๊บเนี่ยมันแค่กินวินาทีเดียวใช่ไหมแต่พอภาพที่มันเริ่มเป็นแอคหมายความว่าแค่แค่ยกมือแค่เนี้ย ถ้าแยกมาเป็นซีนเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุบมันมีตั้งกี่เป็นหลายสิบภาพเนี่ยใช่หมแต่พอภาพนิ่งเนี่ยมันคือหยุดแล้วก็จับออกมาเพียงซีนเดียวแต่พอปั๊บนี้เนี่ยพอแยกมาไม่รู้กี่กี่ภาพความคิดนี่เหมือนกันพอปรากฏว่าเป็นรูปขึ้นมาในใจปั๊บนีทีละก่อนจะเข้าคิดเนี่ยมันยังมีอะไรมันคือภาพเดียว อันนี้จะไม่มีปัญหาอะไรมันไม่พรอจิตขยิบขยับปั๊บถูกกระทบปั๊บมันก็เริ่มเป็นภาพที่เป็นนามารูกขึ้นมาละหมายถึงการเคลื่อนถ้ามันนิ่งอยู่อย่างนี้ภาพเป็นภาพเดียวเป็นเพียงรูปถ้ามันรู้เฉยๆเป็นนามเพราะฉะเพื่อรูปกับนามเฉยๆเนี่ยไม่มีปัญหาไม่ไม่ใช่ตัวสมุทยัยเป็นตัวในโรกในตัวของมันเอง ดังนั้นเราเห็นว่ารายละเอียดเหล่านี้เบื้องต้นเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจเสมอเรานั่งไปนานๆเรารู้สึกตึงที่ขาเนี่ยเป็นลูกถามว่าเป็นลูกหรือเปน็นน้ําที่เรานั่งให้เฉยสมติถามแก้วเนี่ยเป็นลูกหรือเปน็นน้ําลูกถ้าแก้วนี่มันเคลื่อนไหวได้แก้วนี่เป็นลูกเปน็นน้า เป็นรูปนามแล้วเพราะอะไรเพราะมันเคลื่อนไหวได้ในนามแต่ตัวของมันันเป็นรูปใช่ไหมเอาจับมาปั๊บเนี่ยเป็นรูปนามทีนี้ในแง่ของรูปนามข้างในเนี่ยพอมันภาพไปปรากฏภาพขึ้นมาปับป๊บเป็นรูปอยู่นะพอเรามีเจตนาว่าจะทําอะไรเนี่ยเป็นรูปนาม แก้วนี้สะอาดหรือไม่สะอาดแก้วนี้ทำด้วยอะไรอะไรปรากฏละน้ำรูปปรากฏละเพราะมันไม่จำเป็นอนะ่ะพอเพียงแต่ว่าเรายกแก้วมาดื่มน้ำเป็นอาการของรูปน้ำใช่ไหมเพราะจับน้ำนี่แก้วนี้ทำด้วยอะไรสวยจังฉันชอบกลับไปฉันจะไปซื้อสอัอนหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรละ่ะเป็นน้ารูปละ่ะ เพราะมันมันเริ่มทํางานเกินความจําเป็นนี่คือสมุทัยทำให้เกิดทุกข์คือมันไม่จําเป็นะแต่ส่วนที่ความรู้ที่จําเป็นต้องใช้ใช้ได้จบเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นนามล้วนๆเข้าใจไหมแต่ถ้าหยิบขึ้นมาว่าแก้วนี้สวยหรือไม่สวยชอบหรือไม่ชอบเป็นนามรูปแต่แก้วนี้ใส่น้ําก็ขึ้นมาแล้วก็จบ แล้วก็มีความรู้สึกตัวในการใช้ตัวนี้คือเป็นนามแต่จับมาเคลื่อนไหวในส่วนที่เป็นนามก็ดีเป็นรูปก็ดีเป็นรูปนามก็ดีมันเหมือนกันมันก็คือตัวปรมัดจิตเ ต, ตสิกรุณิพานเป็นปรมัริใช่มนั้นแล้วจะเห็นว่าตัวเนี้ยเราต้องเข้าใจให้ชัดก่อนเข้าใจใชัดอย่างนี้แล้วเนี่ย ส่วนไหนที่เป็นนามรูปเราก็จะระมัดระวังไม่ให้มันไม่ให้มันทางานมากนักพอที่จะหยุดมันได้แต่ทาหน้าที่อะไรทุกอย่างเนี่ยด้วยอนานาจของรูปของนามของนามรุนรุนของรูปรุนรุนเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของจิตเป็นหน้าที่ของชีวิตที่ต้องทามันไม่ใช่สังขารไม่ใช่สมู ท, ทยัยไม่ใช่นามรูปอ่าจุดแล้วเนี่ยเราต้องเคลียร์ต้องชัดแต่สาหรับผู้ใหม่อย่ามือคืนเนี่ยหลังจากที่เรา อ่าหาปัญหาหน้ากลุ่มกันแล้วเนี่ยพอจะเลิกนี่หนูคนหนึ่งก็มาถามเรื่องความแตกต่างระหว่างการดับตากับลุ่มตาหลวงพอ่อเขาบอกว่าทำไมทิ้ไม่ขี้เธอไม่ถามที่ในกลุ่มนะก็เกิด ค, ความไม่มั่นใจคือตอนนั้นถูกความคิดมันหลอกแล้วว่าอย่าถามกลัวเพื่อนหัวเราะอย่างเงี้นะไอ้คาถามธรรมดามากๆหรืเพื่อนหัวเราะเยาะอย่างเงีย้ยความคิดมันหลอกแล้วอ่ะหลอกว่ากลัว เพืนว่าจะเรื่องเงนอย่างนงี้อะไรเนี่ยนำ ม, มาลูกเป็นทุกข์ละแต่ช่วงมดว่าเนื่อถามก็าถามคนมาเลยไม่ต้องไปคิดหน้าคิดหลังก็เออเราสงสัยความหลับตาเนี่ยคือพึ่งมาใช่ไหมพึม่งมากพราะตังบุติก็คือเจความแตกต่างาว่าหลับตากัะดุมตาเนี่ยหลวงพ่อเบอกว่าในในร่างกายขอนระทวาลทั้งหหรือ อายต น, นะหกเนี่ยเหมือนเหมือนดวงไฟแต่ระดวงระดวงระดวงนะตาก็ดวงหนึ่งเสร็จแล้วเวลามันทําหน้าที่ปั๊บเนี่ยเหมือนเราไปเปิดสวิตตาก็ทําหน้าที่แสงสว่างคือมองเห็นละหูทําหน้าที่แสงสว่างออกมาคือได้ยินละอจมูกทําหน้าที่จมูกลิ้นกายจมูกคือลิ้นเนี่ยแทบจะบอดไปเลยถ้ามันมีอะไรมากระทบนะ กลิ่นมากระทบธรรมีรรถมากระทบในขณะมันถึงจะทํางานเพื่อเวิร์กในส่วนกายนี่ก็ในส่วนกายที่จะบอกความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งกับลราในส่วนใจไอ้ที่มันทําหน้าที่รู้สึกความเย็นร้อนอ่อนแข็งมันก็คือแสงสว่างอีกดวกงหนึ่งทำหน้าที่ตรงนั้นเขาเรียกอินรีย์ทําหน้าที่ตรงนั้นแล้วในส่วนจิตมันก็จะทําหน้าที่ในการ <c oughs> พิจารณาการตัดสินใจการ ทำอะไรควรไม่ควรพูดอะไรควรไม่ควรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของจิตเนี่ยไฟแต่และดวงสมมติในหกดวงนี่นะถ้าเราปิดมันดวงใดดวงหนึ่งเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ไม่ครบละสมมุติเราหลับตาใชในส่วนอีกทำขนาด น, นั้นอ่ากิ่นและรสเนี่ยก็ไม่ได้ทำงานก็จะทำงานในส่วนกายกับใจมันก็อยูไ่ได้แค่สอง แล้วหูนะสหะสามหูกายใจเลสามมันทําหน้าที่ไม่ถูกกระทบเชือสองปิดไปสองมันก็เหลือแค่สามอีกอันหนึ่งเราไปปิดมันก็เหลือแค่หนึ่งปรากฏว่าถ้าร้อยเปอร์เซนี่ยแสงสว่างร0 0เปตมันก็ทำงานแค่ห้าสิบเปอร์เซนตในขณะนะั้นเพราะมันมันทำงานตามหน้าที่ไม่ถูกกระทบเชือสองถ้าไม่ถูกกระทบมันก็ไม่ทำงาน แล้วเราปิดมันเส้นหนึ่งก็เป็นสามมันก็เปิดแค่สามคือหูกายกับใจถ้าหลับตาลงป๊อปแสงสว่างจะรับรู้มันจะหายไปทีเดียวสา้าสิบนะ 50% แต่ทีนี้พอเราเราลืมตาปับ๊บมันก็ครบ 100% อร์ถึงแม้ว่าตัว ป่นและตัวรถไม่ทํางานขณะ น, นี้แต่มันก็มีความพร้อมมันสเตนบายอยู่เมื่ออะไรมากระทบมันก็จะรู้ทันทีว่าเป็นรถอะไรแล้วก็เป็นกลิ่นอะไรนะฉะนั้นเองมันก็เป็นการการหลับตาก็เป็นการบล็อกที่จะไม่ให้เกิดปัญญาอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นการดึมตามันก็ทําให้ปัญญาเนี่ยเกิดความรู้เกิด นั้ น, า ก, ก, นาการเคลื่อนไหวการปฏิบัติไม่เคลื่อนไหวหลวงพ่อเห็นจึงรับรองว่าเออไม่เกินสามปีเนี่ยคุณต้องรู้เรื่องอะไรสักอย่างนะลดทุกต้งลดลงอ่าไม่เกือบหมดกับครึ่งหนึ่งละเพราะอะไรเพราะสติปัญญาโดยธรรมชาติมันทํางานได้สมบูรณ์แล้วก็ไวกว่าถ้าเราไปนั่งหลับตาเนี่ยแสงสว่างทางปัญญามันหายไปเกือบครึ่งหนึ่งในแต่ละขณะเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันถึงช้าไง มันช้าแต่แทนที่ปัญญาที่เป็นโลกุตรปัญญามันไปเกิดมันไปเกิดโลคิยะปัญญาไปเกิดมีสีแสงไปเกิดโมห า, าวิชาชนิดต่างเกิดมนานะอัตตาเน้นพวกสมถะก็จังมีถ้าพัฒนาเป็นวิปัสนาที่ถูกต้องมาได้พวกนี้ก็จะมีอัตตามนานะทิฐิสูงแล้วก็ละเอียดอ่อนอัตตาของเทวดาอัตตาของพรหมพวกนี้ก็ต่อสู้กันอย่างที่เราเห็นนนแะ ประเทศไทยของเราจะเป็นสมถะคเก้าสิปอร์เซนี่ยมีศาสนาไม่รู้ถึงสิเปอร์เซ็นหรือเปล่ามันถึงมีปัญหากันเยอะเนี่ยมานน่าอาจรามสูงดังนั้นเองเรื่องนี้เราต้องได้ข้อมูลพอสมควรข้อมูลเหล่านี้เวลาเราไปปฏิบัติเองเนี่ยมันจะเกิดการลำดับนะในส่วนคนส่วนใหญ่จึงใช้แต่ความคิดแต่ไม่ใช้ความรู้ไงถ้าใช้ความคิดเนี่ยมันเต็มไปด้วยความลังเลสงสัยเพราะมัน มันเราจะเดินน่ะเ ด, ดินไปข้างหน้าเราไม่ไม่ไมลังลีใช่ไหมเพราะอะไรเพราะความรู้จากอายตนะทั้งหมันได้ทํางานเขามานร้เปเซนแต่พอเริ่มเดินถอยหลังปับ๊บเราเริ่มมีความลังลีแล้วใช่ไหมเพราะว่าข้างหลังเราไม่เห็นอะไรพอดูด้านนั้นมันถูกปิดไปละอเนนเี้ตรงนี้มาถึงจะมันต่างระดับมันจะฟลิกมันจะแย่อะไรงนี้เราก็เชื่อมกลิงนละใช่ไหม เพราะนั้นระหว่างทํางานด้วยความคิดคือมันกะเกณิแล้วคิดว่ามันจะตรงตรงนี้มันกะเกณฑ์มัน ก, เกน็นกเลยเกิดความลังเลไม่แน่ใจมันเลยไม่ถนัดแต่พอได้เดินกับไปกับ ไ, ได้เห็นเต็มที่ปั๊บในความลังเลมันไม่มีนี่คือความต่างระหว่างหลับตาและลืมตาต้องวิเคราะห์เห็นชัดๆอย่างนั้นนะไอ้หนูนะแล้วมันจะหายสงสัยแล้วจะนั่งหลับตาได้อย่างไม่ต้องสงสัยเอหลับตาจะเป็นสมาธิหรือเปล่าเนี่ย แค่จิตมันไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันสมาธิมันก็เกิดแล้วไม่ว่าหลับตาหรือลืมตาใช่ไหมแต่ว่าปรุงแต่งแบบไม่ปรุงแต่งแบบลืมตานีมัดีกว่าเพราะอะไรเพราะมันเพิ่มปัญญาเรื่อยๆนะแต่ถ้าไม่ปรุงแต่งแบบหลับตาเนี่ยมันปัญญามันบอดไปครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงไม่หลังเลงไงแต่ไม่ใช่ว่าเราต้องลืมตาตลอดมาครังเราอยากจะหลับตาก็าหลับได้ รู้สึกภาคสายตาเหนะไรหลับหน่อยก็ได้หลับอย่างรู้สึกตัวแต่ว่าไม่ใช่หลับเป็นเคลิมนะหลับเป็นเคลิ้มเพราะเรื่องเหล่านี้เราจะต้องอทําความเข้าใจเรียกว่าด้วยความรู้เนี่ยออกค่าความรู้ความคิดทํางานต่างกันไงความคิดมันความรู้เนี่ยมันไปเป็นจังหวะแต่ความคิดมันไปอย่างนี้ ใช่ไมเพราะไปจังหวะเนี่ยมันสามารถที่จะกําหนดทิศทางชัดเจนได้แล้วก็หยุดได้แต่ความคิดเนี่ยมันหยุดไม่ได้มันไปข้างหน้าเรื่อยๆแต่ความรู้เนี่ยมันหยุดได้เหมือนไม่มีมันมีปุ่มควบคุมไฟเนี่ยปิดเปิดได้ถ้าเป็นความคิดหมายความไม่มีไม่มีสวิตซ์ปิดเปิดเลยไฟก็ไม่รู้จะไปเปิดตรงไหนถ้ามันไม่ช็อตกันมันก็ผิดปกติแล้ว ไฟเปิดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเราชอบมหมโอ้ไม่ชอบเสียค่าไฟเยอะแยะเลยเราไม่รู้ความมันมันโอ้โหฮิตไปเลยมันช็อตขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้อะเรนี่ถ้ามันร้อนเกินนะฮะมันรถเนี่ยแต่กมันติดบิดกุญแจแล้วเวลามันปิดดับมันไม่ดับเนี่ยหรือไป่บิดกุญแจแล้วมันจะให้มันสตาร์ทมันไม่สตาร์ทเนี่ยมันผิดปกติแล้วแต่ถ้าหมันปกติมันก็คือต้องการสตาร์ทก็สตาร์ทต้องการปิดก็ปิดได้มันปกติ นั้นความรู้จึงเปิดปกติของมนุษย์แต่ทํามนุษย์ทำไมถึงใช้ความคิดเพราะไม่ได้สร้างความรู้ขึ้นมาเราไปใช้แต่ความไม่รู้ความไม่รู้มันก็ออกมาเป็นความคิดความคิดในความปรุงแต่งปรุงแต่งก็เป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์แค่นั้นเองคอนเซปต์มันง่ายๆแต่เนื่องจากเราไม่ค่อยเรายังทำสมถะอยู่อย่างเงี้ยเราไม่ใช้ความรู้คือหมายความว่าต้องการให้มันสงบสงบแบบไม่รู้อะสงบแบบไม่รู้ ผลมันออกมาเป็นโมหะสงบแบบรู้ผลออกมาเป็นปัญญามันก็คนละคั้วเลยนะดังนั้นตรงนี้เราต้องชัดเจนในข้อมูลที่จะเกี่ยวข้องกับตัวเองแล้วก็จะการปฏิบัติเราก็จะไม่ลังเลและจะทความเข้าใจและความเต็มใจผลมันก็ออกมาไวนะแทนที่เราจะปฏิบัติกันหลายปีแล้วก็ยังลังเลอ ย, อยู่ใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ แต่ถ้ามันไม่ชัดเจนขนาดนี้นะปฏิบัติไปกี่ปีมันก็ยังเลงเลงอย่างนั้นจนกว่าเราจะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าเอออันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นนี้แล้วมันจะไม่ลังเลงทำก็สงบไม่ทำก็สงบทําในรูปแบบก็สงบทําในรูปแบบก็สงบเพราะเรารู้สาละของมันว่าไอ้ตัวสงบที่แท้จริงคืออะไรตัวปรุงแต่งคืออะไรตัวไม่ปรุงแต่งเป็นอย่างไรรูปเป็นอย่างไรน้ําเป็นอย่างไงน้ํารูปเป็นอย่างไงเมื่อรู้ หน้าที่ตำแหน่งของจิตเนี่ยชัดเจนเหมือนกับเราขับรถไปพึ่ดไปเจอไฟแดงเนี่ยมีใครต้องบอกเราไหมว่าต้องหยุดนะหยุดนะอย่าพิ่งไปนะเนี่ยไม่ต้องใช่ไหมพอเจอไฟแดงป้ามันก็หยุดตั้งวันเอง เ, เพราะเป็นสมมุติเป็นกติกาแล้วตกลงกันอย่างนั้นพอเจอไฟเขียวครับไม่ต้องใครมาบอกเราว่าต้องไปแต่โมโหนิดหน่อยเวลารถคันหลังมันบีบแต่ไล่เราเพราะาเราเผอคิดอะไรเพลินไอคันหลังเขาก็ลำแขวน หรือว่างทีข้างหน้ามนั่งคุยกันรถไฟเขียวแล้มันก็ยังไปมันก็หยุดทื่ออยู่เนี่ยเราก็มีบแก่ไล่เหมนมัางอันนี้อันนี้ก็จะมีอักเสบตรง น, น, นิดหน่อยเพราะนั่นจะเห็นว่าหน้าที่ถ้าจิตที่รู้หน้าที่ที่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะไปมันจะหยุดมันไม่ลังเล่แต่ถ้าเกิดว่าหน้าที่มันไม่ชัดเจนจะไปก็ลังเล่จะหยุดก็ยังจะคิดก็ลังเล่จะไม่คิดก็ยังเล่จะรู้สึกตัวก็ยังลังเลอยู่ยิ่งไม่รู้สึกตัวไม่ต้องพูดถึงนะ ดังนั้นตรงนี้คือวิปัสสนาคือเห็นกระบวนการขั้นตอนความเป็นไปทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรเราจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินเราจะไม่ลังเลเอออาจารย์คลิกบ่อยมันเป็นยังไงนั่งแล้วนานๆไม่พลิกเป็นยังไงซึ่งเป็นคอมมอนเซนต์มากแต่เราก็ยังลังเลอ ย, อยู่ใช่ไหมอย่างไรคนพลิกอย่างไรคนพลิกอย่างไรคนเปลี่ยนก็ยังไม่คนมันเป็นคอมมอนเซนต์มากเลยแต่เราก็ยังลังเลอ ย, อยู่เนื่องจากว่าเราไม่ได้อยู่โดยนี้ด้วยความรู้ เราอยู่ด้วยความคิดมันถึงก่อให้เกิดความรังเลนะดังนั้นเองถ้าเราอยู่ด้วยความบังเละแล้วก็เป็นทุกข์นะเอจะใช่ชจะควรควรจะทำหรือไม่ทำดีเนาลักษณะอย่างนี้คือขนายทรงใว่าทรงัยนะคือคือขนายไดไม่โอกาสไปสี่หลังการนะไปเบางสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่สี่หลังกาอยู่แคนดี้อยู่ นลำเบรย์หลายๆหมองเราข้าวเจ้าก็ปฏิบัติแบบหลับตามหมดเเท่านั้นเราไทยนี่เอาโฆษณามาจากศิลังกาศิลังกาแตกต่างกันหมดอืนนี่หลวงพ่อไปอุดดิบวันนั้นนะเห็นต้นมะม่วงเนี่ยมาอยู่ในแปลงพ่อสวยมากเลยใบใหญ่ก็ถามว่าไอ้มะม่วงพันธุ์อะไรเนี่ยมันต้นมันสวยเหลือเกินอ๋อมะม่วงป่าครับหลวงพ่ออ้าคุณมาเพาะทําไมอ๋อผมมาเอาไปต้นพันธุของมัน เพราะมะม่วงพันธ ja ุ์เน ok ี่ยเวลาเพราะจากเม็ดม uh, ันมันมันโตช้ามันหาอาหารไม่ครอบไม่เหมือนมะม่วงป่าธรรมชาติเพราะฉะนั้นปลูกมาเพื่อเป็นต้นตอของมันนั้นเมื่อไหร่ที่จะเอาไปปลูกก็เอาไอ้ไอ้มะม่วงพันุ์เนี่ยไปทาบเข้าหรืออาศัยรากมะม่วงป่าเนี่ยเป็นเป็นตัวหาอาหารแล้วมะม่วงพันุ์ก็จะโตไวเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นตัว พันธุ์เดิมของมันอ่จจะเป็นพันธุสีลางกาแต่มาไทยแล้วท่ากิ่งเป็น <c oughs> นี่นคือความเต่าของหลวงพ่อแล้มันต้องฉลาดนะ <c oughs> อันนั้นคือต้อนพันธุ์ของมันคุณไม่จําต้นพันธุ์มันทั้งเปรี้ยวทั้งขืนทั้งขมใช่ไหมเราคุณกินไม่ได้แต่คุณใช้เป็นต้นต่อต้อนพันธุ์มันได้เพราะฉะนั้นเราเราก็เหมือนกันในการอะไรก็ตามที่เขาว่าไว้อย่างนั้นแล้ไม่จําเป็นต้องตามขเขาเราต้องมาพัฒนา นะพัฒนาไม่จะยังพาลาก็ยังต้นเขายัางต่อนั่นเลยบางทีออกมาจากซีดจากเม็ดเดิมเมื่อวันเป็นต้นต่อเดิมมันมันมันไม่พัฒนาใช่ไหมอะไรก็ตามที่พันุ์ที่มันต่อต่อกันไปมันจะด้อยคุณภาพไปเรื่อยแต่ถ้ามันไปต่อพันธุ์ใหม่อย่างคนไทยเนี่ยคนตั้งเดิมแต่งงานกับคนตั้งเดิมมันไม่ค่อยฉลาดหรอกแต่พอไปต่างแต่งงานเอา ฝรั่งมาทา่าบังเอาญี่ปุ่นมาทาบัางเอาจีนมาทา่าบังพอมันโตเป็นพันใหม่ขึ้นมาคนไทยฉลาดมากเลยนะเพราะนักคนไทยฟันใหม่ก็ฉลาดแมนะ้แต่มนุษย์เราก็มีการท่ากี่อย่างนะั้นนะแต่บางทีทา่าเราไม่ติดนะปัญหาเยอะแยะนะคุณต้องคิดอย่างนี้ดนะิแล้วมันก็จะมันก็จะไม่สงสัยอะไรนะนั่นแล้วจะเห็นว่าการการปฏิบัติเราเข้าใจรูปนามของเราอย่างเดียวนะมันเข้าใจความเป็นไปทั้งโลกจัจกรวาลเลยนะ เพื่ะนั้นที่พุทธิเจ้าบอกท่านอากาศนีเคยอกโลกโลกกับวิถูเนี่ยจึงไม่แปลกว่าผู้รู้แจ้งโลกเนี่ยพรารู้รูปนามของเราให้ชัดเจนอันอื่นอื่นเป็นอะไรก็เป็นโครงสร้างอันเดียวกันคือรูปกับนามใช่ไหมแล้วเมื่อเราเข้าใจตัวเองได้ชัดเจนสิ่งอื่นต้องลังเลไหมไม่ลังเลเลยโครงสร้างอันเดียวกันไอาการที่มันจะพัฒนาแบบไหนหรือมันจะเป็นไปแบบไหนเป็นรายละเอียดเราค่อยไปศึกษาเพิ่มเติมเอาโครงสร้างคือท่าสีกันทารูปกับนาม อ, อันเดียวกัน ขอให้รู้จักลูกกับนามกายกับใจของเราเนี่ยให้ชัดทุกอนุเสวะเอาไว้ก็แล้วกันนะที่ที่มาปฏิบัติเนี่ยที่รู้ช้าพราะมโหร่งใจไปทางอื่นใช่มทั้งที่จะเอามาฉายมาสแกนมาดูมาเฝ้าดูทุกส่วนที่มีการเคลื่อนไหวให้ครบวงจรของมันนะเราก็จะเห็นอ๋อวงจรของลูกของนามตลอด24ชั่วโมงมันเป็นมันคือแค่นี้ อย่างที่อาจารย์กสินพูดมันก่อนว่าเขาจะดูธรรมชาติของนกสักอย่างนึงว่าว ง, งจรชีวิตทั้งหมดมันคืออะไรเนี่ยเขาตั้งกล้องทิ้งเอาไว้เนี่ยทั้งปีทั้งเดือนเนี่ยเขคอยไปแอบไปเปลี่ยนแบตเตอรี่แค่นั้นเองนะ เ, เสร็จแล้วก็เอาไอ้นั่นมาเป็นสารคดีตัดต่อดูแล้ววงจรวิถีชีวิตแล้วเขาก็รู้พฤติกรรมของมันแล้วเขาก็จะมีวิธีว่าเออพฤติกรรมมันเป็นอย่างนี้ทำไงมันจะรอดได้วิธีรักษาเผ่าพัานธุ์ของมันเนี่ย วิธีชีวิตเป็นอย่างนี้มันจะน่อยข้อมูลตรงนั้นก่อนใช่ไหมเช่นเดียวกันการที่เราได้รู้จับวงจรของรูปของนามอย่างชัดเจนตลอดเวลาเนี่ยต่อไปเราก็สามารถทํางานตอบสนองต่อรูปนามนี้ย่อถูกต้องตามธรรมชาติของเขาแต่คนที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องไปจับพฤติกรรมสัตว์นั้นจะไปรักษาเขานี่ยมัรักษาไม่รอดเพราะไม่รู้วงจรชื่ิของเขาทั้งหมด เหมือนกันเราจะรู้จักรักษารูปอันนี้นามอันนี้เนี่ยมันรักษาได้มันรักษาไม่เป็นไม่เป็นทุกเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ดูเขาตลอดตลอดเวลาอรักษาอจาให้ดีมันก็ป่วยรักษาจะให้ป่วยมันก็ดีรักษาจิตใจมันสงบมันก็ฟุ้งรักษาจะให้ฟุ้งมันก็เสงบอะไรนู้นนันสลับกันมั่วหมดเลยเพราะเราไม่รู้วงจรของเขาทั้งหมดใช่ไหมเออนั่นคือสมุทัยเพราะอวิชาเพราะเราไม่รู้วงจรของรูปของนามอันนี้ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่ที่ธรรมดาเราต้องใช้วิปัสสนาเยอะๆเลยแต่เชดายหลายสัตวรวัคนไทยหมดต่ไปนั่งหลับตาทาสมรถไม่ยอมรับรู้อะไรสงบคือไม่รู้อะไรนะถ้าจะว่างก็ว่างแบบว่างจากอะไรไม่ใช่ว่างแบบไม่มีอะไรนะนะ empty of something ไม่ใช่ empty of nothing นะ empty of nothing มันคืออวิชชาดีๆแต่ empty of something อย่างแก้วเนี่ย มันว่างมันว่างมันว่างมันว่างจากน้ำใช่ไหมแต่มันเต็มด้วยอะไรเต็มด้วยอากาศอยู่ในเนี้ยใช่ไหมอ่ะจิตของเรามันว่างจากอะไรว่างจากการปรุงแต่งแต่มันเต็มด้วยอะไรเต็มด้วยความรู้สึกตัวเต็มด้วยสติสัมปชัญญะนั่นมันถึงจะว่างด้วยนั่นด้วยซ้ำสิ่งคือสติสัมปชัญญะนั่นแหละแต่น้าติ้งบอกเขาว่ามันว่างแล้วคุณเอามือไปปิดเป็นไง ดูดมือชุบๆเลยใช่ไหมไม่เป็นสุญญากาศว่างแบบไม่มีอะไรเพราะนั้นว่างแบบสุญญาตากับว่างแบบวิสังขารึงต่าง ก, กันว่างแบบสุญญาตาก็คือว่างแบบพรามอ่าว่างแบบไอ้วิสังขารคือว่างแบบปุตคือว่างจากการผูกแต่งเท่านั้นแต่เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญาอ่าเราจึงมาใช้คำว่าสุญญากาศไงในนี้ถ้าเป็นแก้วสุญญากาศเราสังเกตในสมัยแตมาเป็นเด็กๆเกลวลาคุณไอ้ แก่คนผู้ใหญ่เข า, e นะ một, นะากินเหล้ <laughs> าเสร็จแล้วนะเขาเทเหล้าหมดนะเอามาก็จุดไม่ขีดใส่ไว้วิ่ยตขึ้นมาเผาอากาศทิ้งแล้วรีบมือรีบไปปิดมันดูดมือจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บเลยเ <laughs> ออมาเป็นคนเด็กคือข้างสนเลยนะแ <laughs> <laughs> ม่นนี้ไล่มาให้นอนบ้านเลยสนมากนะเพราะฉะนั้นเองเราจะจะเห็นว่าไอการดูวงจรของลูกห้อง น, นนะ้เนเอนั่งอย่างนี้นาน เป็นอะไรอ่านั่งงานมันตึงเอ๊ะทำไมมันตึงล่ะอ่านานๆไปอีกหน่อยมันปวดเอ้าทำไมมันจึงปวดล่ะเชื่อไหมเริ่มเริ่มสแกนละแต่นี่ปวดก็นั่งอยู่นั้นตึงก็นั่งอยู่นั้นง่วงก็นั่งอยู่นั้นไม่ได้ใช้ความรู้อะไรเลยอ่ะเออมันต้องเออมันต้องมีเหตุอ่ะมันปกติไม่ใช่อย่างนั้นนะใช่ไหมปกติไม่ใช่นั่งง่วงหลับปกติไม่ใช่นั่งเบื่อนั่งเบื่อเอ้มันเบื่อมันเบื่อเพราะอะไร ต้องหาเหตุมันให้ได้ตรงนี้เขาเรียกสมุทยัยใช่ไหมหาสมุทัยให้ได้เราทีนี้เราสมมุติว่ามันตึงมันเบื่อมันง่วง่างนี้ว่าสมมติว่ามันเป็น ไ, ม, ม, ไ, ม, ไม่ความไม่สบายกายใช่ไหมความไม่สบายกายทำไงต้องกําหนดรู้อต้องรู้ต้องทําความพข้าใจต้องแก้ไขต้องเห็นต้องตามดูเนี่ยหน้าที่ของอริยสัจอันนี้หนึ่งทุกต้องกําหนดรู้น ที่ง่วงทำ ง, งานเงียบๆไปานานๆเราไม่รู้เลยว่าตัวเองง่วงนะต้องได้ใช้ก้นหินโยนเสรหลังกันตึกจะรู้ขึ้นมา อ, อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องทุกต้องกําหนดรู้ก็สมุทัยคือทําไงก็คือเข้าไปรู้อาการเข้าไปรู้สมุทัยทขณะ น, นี้เออมันปวดนะสมมติเรานั่งเงียานาน้ย ม, มันนานครึ่งชั่วโมงมันริ่มตึงถ้าตึงมันมันไม่สบายกายถ้าไม่สบายกายเราก็ อีกนอมันไม่สนใจมันมันก็เพิ่มดีกรีขึ้นเรื่อยๆไปทีนี้ไอตัวนามตัวนั้นนะที่เกี่ยวข้องด้วยรูปเนี่ยนะทำหน้าที่ที่วิการแล้วผิดปกติแล้วเพราะรูปตัวนั้นเขาจะต้องทำหน้าที่ในการไหลเวียนแหละเลือดหลุมใช่ไหมอ่ะเลือดหลมต้องเดิน แต่การที่เรานั่งอยู่ในทางเดียวเราเส้นบางเส้นมันก็ถูกอัดใช่ไ้มเราความน้ำหนักของเราไปอัดเส้นนั้นให้ตีบตันพอตีบตันแล้วไอ้เขาก็จะวิ่งตามหน้าที่ของเขาแต่เขาวิ่งไปไม่ได้เพราะเส้นนั้นมันตีบมันก็เกิดการสู้กันใช่ไหมให้เกิดเกิดคอนฟ lict เกิดการหัดแย้งกันมันก็บีบหนักมันก็ยิ่งเดินไปยิ่งเดินมันก็จะเดินมก็ยิ่งเพิ่มการต่อสู้มากขึ้นก็ยิ่งปวนมากขึ้นใช่ไหมพอเรารู้สักนิดหนึ่ง เราเปิดทางให้เขาพอเปิดทางให้เขาป๊าเปงไงเขาวิ่งจุดเลยใช่ไหมเรียนลมวิ่งจุดแล้วอาการที่มันหนักมันหน่วงตรงนั้นเป็นไงมันก็หายไปแค่เปิดทางเขาอันี้เราปฏิบัติใั้สอดคล้องตามกฎของเขาอันนี้จังทุกขังตาเพราะฉนั้นอันนี้จังทุกขังตาของของกายของรูปเนี่ยไปบล็อกเขาไม่ได้เลยต้องปล่อยให้เขาทําหน้าที่ของเขาแต่ว่าเนื่องจากเราต้องนั่งมันก็ต้องบล็อกละใช่ไหมโอเคเรารู้ว่าเรานั่งเนี่ยต้องบล็อกทางเขาแต่อย่าบล็อกเ้านาน สักพักหนึ่งเราเปลี่ยนให้เขาล้วก็อยู่กับเขาได้อยู่อันนี้จังอันนี้ังอันนี้จังทุกขงังหน้าตาทางกายทั้นได้โดยที่ไม่มีปัญหาแต่การที่เราไปบล็อกเขานานๆไม่ปรับไม่เปลี่ยนเนี่ยเหมือนเราไปเจตนาที่จะบล็อกเขามันก็ไปเฮิร์ต่อนามคือทําให้จิตของเราเนี่ยถูกเวทนาตรง น, นั้นบีบคั้นมันไม่สบายละรู้สึกไม่สบายข้างในเลยใช่ไหมมันก็เอ๊ะ จะเอาไงจะคิดจะนึกจะปรุงจะแดงมันจะเกิดอาการตามมาก็ เ, าเลยสายอิเฟกคือเกิดความเบื่อความหน่ายความไม่ชอบความไม่สนุกความพยายามที่จะหนีหนีด้วยกันนั่งหลับตากําหนดรู้รู้เนอะรู้หนอปวดเนอปวดเนอไปเรื่อยๆเอยนอะไปเนอมาเป็นแหนะไปเลยหลับไปเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้น ะ, ะเพราะเรามันฝืนธรรมชาติของกายอ่ะ กายเขาจะทำหน้าที่ของเขาอย่างนั้นได้วไปฟื้นฟื้นฟื้นฟื้นฟื้นถือว่าเป็นการทำ้ายตัวเองข่มเหงตัวเองแล้วก็เบียดเบียนตัวเองะตรงนั้นเราผิดศีลไหมนั่งสมาติอยู่นผิดศีลเฉยเลยคุณไม่ต้องไปฆ่าสันลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมอะไรให้ยากเลยในแง่ของการปฏิบัติแค่นั่งอยู่คุณไม่ปรับนิยาบทให้มันเหมาะสมกับสดคล้องกักวอนิจจังทุกขังหน้าตาของรูปมันก็ผิดศีลแล้วถือว่าเป็นการเบียดเบียนตัวเองการเบียดเบียนตัวเองแล้วผู้อื่นนั่นแหละ ก็ผิดศีลแล้วนะเออมันแปลกนะนั่นคืออวิชชาเพราะความไม่รู้เรยถึงผิดศีลเพราะความไม่รู้เราถึงสมถธรรมสมาธิไม่ถูกเพราะความไม่รู้ถึงไม่เกิดปัญญาตรงนี่ทั้งนั้นการปฏิบัติเนี่ยวิปัสสนาสนุกมากทำไมเขาปฏิบัติสมะถะ ก, กันได้ทั้งปีทั้งชาติไม่เบื่อเลยนะมันไม่รู้อะไรเลยนะะแต่วิปัสสนาในหูมันมันมีความรู้ที่หลากหลายน่าศึกษามาก พุทธเจ้าท่านสอนผู้ศาัทาคือสอนวิปะนะัสสนานะสมถะท่านทำมาตั้งนานแล้วทำมาท่านตั้งเจตนาที่จะทําสมถะหรือทําเพราะความไม่รู้ถ้าเขามไม่รู้ใช่ไหมไปหาอาจารย์ต่างๆอาจารย์ต่างก็สอนเหมือนกันหมดเลยต้องทงํางนี้นะเพราะไม่รู้ท่านเสียเวลาไปได้กี่ปีต้องหกปีกว่าจะมาเจอวิปัสสนาเพราะไม่รู้มาคําว่าแต่และพุทธเจ้าทาเป็นคนพิเศษตรงที่มีปฏิพันธ์ใบพริบ ดีท่านเขสังเกตพอสังเกตปั๊บก็ออกเขเห็นความเป็นไปเป็นมาท่านก็กลับมาปรับปรุงรูปนามนี้ให้มันปกติใม่ไหมเคยอดข้าอดน้ำํำแทบจะตายเคยเอทรมานตัวเองด้วยวิธีการ ต, ต่างๆร่างกายก็มีคฤตวิการ้วยดีนะท่านยังร่ออางกายกลับมาปกติได้นะงั้นเราไม่มีพู้ทีเจ้าห้องนี้เลยนะเ <c oughs> พราะความไม่รู้จริงๆนะออท่านก็หลงทรมานกายไปเกือบตายนะ ตอนล่าสุดนั่นคือไปสรุปคนข้างแม่น้ําคงคาใช่ไหมท่านมาอาศัยเด็กคนนั้นเอาน้ำนมแปะนมแพ้ไปใส่ปากให้นั้นก็ไม่ฟื้นไเลยละไปเลยละนะที่ท่านจะเปลี่ยนวิธีการเพื่อเอลียอาบน้ําเอาท่าขื้นไปจะลงอาบน้ำขึ้นไปสรุปเหมือดอยตรงนั้นหมดแรงเนี่ยทรมานไม่กินข้าวไม่กินน้ําไม่พยายามกัดลมหายใจมาตั้งหลายวันเพื่อที่จะทําลายกิเลสเพราะความไม่รู้แต่หลังจากท่านได้ฟื้นมาจากการสรุปเพราะนั้นการ ได้ชื่อว่าพุทธะนี่ไม่ใช่ผู้ใหญ่ตั้งให้ใครให้เด็กนะตั้งให้นะเพระหลังจากที่ท่านฟื้นได้แต่จะรู้รู้เรื่องนี้แล้วท่านก็มานึกถึงพวกเด็กมาเลี้ยงัวเลี้ยงควายแพะแกะอยู่แถวนั้นท่านก็เลยสอนเรื่องนี้สอนเรื่องดึงตัวอยู่กับตัวเองน่ะในภาษาอินเดียเขาพูดเชติพูดเชติเป็นเป็นแผงภาษาบาลีก็เป็นพุทโธอ้าทุกงั้นคุณก็เป็นพุทธะสิเงี้ยน่ะพูดถึดงเรื่องตื่น น, ะน่ะนะก็เรียวกว่าพุทโธมาตลอดเด็กตั้งให้ เด็กเรืงแกเรื่องแพ้ท่านก็เลยเห็นมีคุณของเขาที่เข้ามาทําให้ฟื้นนี่ไงแต่ใบอาศัยเขาพวกเขาเหล่านี้องค์ก็ต้องไม่เกิดมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการทำตั้งแต่วันท่านก็สอนเรื่องตื่นตัวใช่ไหมสอนเรื่องรู้ตัวมาตลอดเลยถึงว่าพุทโธเราก็มาทําพุทโธกหนกันแต่พุทโธก็เลยอยางพุทหลับเลยนะพุทอ น, พนอนไปเลยอ่านั้นน่ะมันก็เลยไม่เวิร์กไงแต่ที่เริ่มมาตัวพุทโธเนื้อๆ เ, เลยนะยกนี้ให้มันตื่นเนี่ยตื่นตัว ใหตื่นตัวให้รู้ตัวรู้แล้วมันก็คอยสังเกตเข้าไปข้างในาการแพทย์สมัยนี้เขาก้าวหน้าเนาะจะตรวจดูไหนก็สแกนทุกส่วนเห็นเมื่าของจริงเลยพุทธธรรมพวกคนจะก้าวหน้าอย่างนั้นสติที่ใช้มาบังคับจิตอย่างเดียวที่บังคับใจให้มันสงบอย่างเดียวก็คนที่มาแบบสแกนให้เห็นลักษณะของจิตเป็นไงลักษณะของกายเป็นยังไงลักษณะรูปเขาทํางานไงนามเขาทํางานไงรู้เข้าไปนี่ต้องใช้วิปัสสนา มีภาษานาว่าอินไซต์ใช่ไหมก็เห็นแจ้งเห็นเข้าไปข้างในอินไซต์อีกตัวนึงก็คือเห็นเข้าไปข้างในเงินภูมงแพ้กลับมาเที่านี้อายุยาวมากเลยทำมหมอเมื่อคืนเลวงพ่อไม่ได้ภูมิแพ้แต่ ว, ว่าเป็นไข้าสามดื้อดูงอ่ะทำไมหลวง่อมาจา ก, การอาการเย็นจัดมากๆนะพอข้ามาอินโดนีเซียอากาศร้อนมากเลยพอเข้ามาไทยโดนลมเป่า อ, อีกทั้งห้าวันไปช่วยงานนันอดนต์องค์สิงห์ยุที่ศระ k a h a โอโลมอะไรมันทั้งวันทั้งคืนเลยนะเมื่อเคยเห็นลมแบบนั้นลมเมืองไทยเราก็เป็ลมพัดแบบกระโชกอะ่ะแล้วก็ผ่านไปใช่ไหมผ่านไปแต่ที่สรคามันนั้นพัดทั้งวันทั้งคืนเลยนะนี่ไอเขามาสร้างกุฏิถวายนอกป่าแต่เขาอยู่ในป่าเพราก็นะลมมันก็ไม่พัดเต็มที่แต่พ่ออยู่นอกป่าลมพัดเต็มที่ผาไปกุฏิอยู่นอกป่าเพราะนั้นก็เลยทั้งฝนเพราะที่อินโดนีเซียมีทั้งฝนทั้งร้อนแบบกรุงเทพ เจอหนาวเจอฝนเจอลมอ่าภูมิแพ้ที่ว่าหายไปหลายปีมันกลับมาเฉยเลยทีนี้ก็ดีกันเอาไว้ดูเล่นนะเป็นวิบากกรรมเป็นเป็นผันผันทุกกรรมนะอยู่แม่มาก็เป็นผันภูมิแพ้เนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยอามาตื่นเช้าคุณพ่อโน่นหนานี่นะวิ่งไปที่ฝั่งน้ํานะโดดน้ําเล่นเฉยเลยมันอุ่นน่ะน้ําตอนเช้าไอออกอุ่นใช่ไหมพวกเขาหญิงวไฟใเราลงน้ํำมันก็อาจจะตอนนั้นภูมิเราอาจจะถูก สมัยนั้นมากดังนั้นาการที่เรารู้รูปนามจริงๆเนี่ยโอ้มันรู้ไปได้เยอะเลยลูกทำน้ำทำรูปรูปน้ำรูปรู ป, รปสมมติอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันจะรู้ไปให้รู้ไปอย่างนั้นไม่รู้แบบคิดนะรู้แบบดูเข้าไปทุกวันน่ยมันจะรู้เองดูมันเข้าไปดูทุกขณะไม่ใช่ทุกวันทุกขณะดูเข้าไปในขณะนี้อะไรแล้วก็เข้าใจเข า, าคืออย่าไปสงสัยอ่ะไอ้นั่งไปานานๆทำไมมันปวด ปวดแล้วไม่ยอมเปลี่ยนก็คิดอยู่นั่นแหละ น, นะเนี่ยมันมันก็ผิดตั้งแต่แรกแล้วนะนั่งวนนานๆท้อทนได้ก็ร่างกายทนได้ไม่ถึงกับเบียดเบียก็ทนไปก่อนไม่ถึงจะปุ๊บป๊๊บปุ๊บป๊บนทนไปแล้วทีนี้พอการจะเปลี่ยนเนี่ยจะเปลี่ยนยังไงให้เห็นอ น, นิจจังทุกขังหน้าตาได้ชัดเจนถ้าเปลี่ยนแต่ไม่มีสติก็พอนึกจะเปลี่ยนก็พปพ๊กไปเลยใช่ไหมได้เห็นอะไรบ้างไหมไม่เห็นอะไรนอกจากไอตัวไม่สบายมันคลายไปแล้วเห็นแค่นั้นแต่เห็นว่าเวลาขยับเนี่ย นิดหนึ่งเขาก็เริ่มเบาขึ้นนิดหนึ่งเลยใช่ไหมนั่นแสดงว่าอะไรอะถ้ามันจึงเบาเคยตั้งขอสังเกตไหมถึงว่าขยับไปแค่สิเปอร์ซนบาสิบเ3อร์เซยี่สิเอร์ซนสาสิเปอร์เซขยับไปสี่สิบเ0อร์เซนห้าสิเอร์ซหกสิอร์ซนเจ็ดสิเปอร์ซร้อยเปอร์เซนอย่างี้ยเออไอตัวตึงตัวนั้นก็หายไปร0อยเปอร์ต completely เลยใช่ไหมหายไปหมดเลย ไ ป, ไปสักพักมันก็เริ่มต้นใหม่ละเขาก็ทําหน้าที่ของเขาใหม่แต่ว่าเขาเป็นอนนี้จังไงใช่ไหมเอ๊นั่งใหม่ทือมันจะสบายนานๆนั่นนะแค่ไม่ถึงนาทีมันก็เริ่มต้นใหม่แล้ว ใ, ใช้เริ่มตึงใหม่แนะสิ่งแล้วเนี่ยเล็กๆน้อยๆมันเป็นวิปัสนาทั้งนั้นเลยวิปัสนาไปว่าเห็นแจ้งเห็นอะไรเห็นแจ้งเห็นชัดในสิ่งที่เกิด มันจะต้องเห็นแจ้งชัดในส่วนที่เกิดที่เป็นทางมรูปเสก่อนเพราะรูปมันหยากเห็นง่ายใช่ไหมก็สังเกตศึกษาไปทางจุดนี้แหละพอเราเกิดว่าสีเกิดความชำ น, นิชำนาญมากเข้าเนี่ยมันก็จะค่อยเข้าใจอ๋อเป็นงี้เองเห็นแจ้งชัดพอเห็นแจ้งเจนนั้นมันก็หายสงสัยใช่ไหมพอหายสงสัยก็พอถึงเวลาแล้วก็ทําหน้าที่รู้ไป นี่คือวิปัสนาวิปัสนาทําให้หายสงสัยเรื่อยๆแต่สมถะทําให้สงสัยเรื่อยๆนั่งไปนิดหนึ่งเดี๋ยวมีภาพอันนั้นขึ้นนั่งไปนิดหนึ่งเดี๋ยวมีนิมิตนันเกิดขึ้นหมดอะไรสงสัยไปเรื่อยๆอนั่งไปนิดหนึ่งไปเห็นพี่สาวตายไปแล้วเข้ามาหาใช่ไหมอย่างที่คุณเล่าเมื่อคืนน่ะเอเข้ามาทําไมอะไรเนี่ยไม่คก็สงสัยไปเรื่อยเพราะเรานั่งหลับตาแต่ถ้านั่งลืมตามนี่เขาไม่ค่อยมาหรอกใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ถ้านั่งลืมตามแล้วเข้ามา <c oughs> <c oughs> นั่งนั่งไปแล้วแล้วมันนั่งนั่งไปล้วมันก็ว่าเสื้อลับเส้นหนาแบบมีแบบนั้นเขามามันนั่งนั่งไปแล้วเสียบหลังนลยมันเสียบทันทีนั่งแล้วเสียบทันทีไหมแค่ว่าไม่ไม่ได้ตอบคําถามตรงนี้ก่อนดินั่งไปแล้วเสียบหลังพอนั่าไปแล้วมันเสียบทันทีไหมก็ตั้งก็จะนานกูมันจะเสียบใช่ไหมแล้วในช่วงนั้นคุณทําอะไรในช่วงที่ก่อนมันจะเสียบเลยก็คิดว่าน่าจะง่วงนะคุณคิดเองละ จากเริ่มต้นนั te ่งปั <laughs> ๊บเนี่ยไอ้ก่อนที่ไอ้ตามันจะหลี่มันจะหนักลงเนี่ยมันอาศัยช่วงเวลาทั้งเกือบชั่วโมงนะมันจะเป็นนะใช่ไหมในช่วงนั้นเราคุณไปทำอะไรในช่วงนั้นทำไมไม่รู้ตัวถ้าคุณเริ่มรู้ตัวเนื่งแรกมันทําอาการที่มันจะเสียบมันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเป็นใช่ไหมอาการแรกก็คือจิตมันไม่มีอะไรเข้าไปกระตุ้นเทก่อนอาการที่สองมาก็หายใจเบาๆอาการที่สามาก็ตาหน่วงๆใช่ไหมอาการที่สีมาก็เป็นไง เสียบว่าลุมถึงจะเข้าใช่ไหมคุณต้องลําดับเหตุการณ์ก่อนที่มันจะไปเป็นอยูนะั้นจู่ๆมันไม่ใช่เป็นนะมันจะต้องมีเหตุปัจจัยให้เป็นแต่คุณไม่ดูสักเหตุเลย <c oughs> ดีแนละ้วมันน่าจะเสี่ยงมากกว่า น, นี้นะ <c oughs> อ่าสักพักแล้วก็เออภาพนั่นมาภาพนี้นมาภาพเหล่านี้มาจากไหนทุกวันที่เราดูอะไรได้ยินอะไรเห็นอะไรรู้อะไรโดยขาดสติเนี่ยสิ่งนั้นมันถูกซับเข้าไปเป็นสับคอนเชสต์จิตใต้สํานึกใช่ไหม ไอ้จิตใต้สำนึกมันก็ถูกเก็บเก็บเก็บเอาไว้ข้อมูลเราเนี่ยถูกบันทึกไอ้ทัพยสนเช่นมันคือกล่องดําของชีวิตนี่ไงที่มันเก็บเอาไว้ตรงนั้นหมดแต่เมื่อใดให้สติสัมยาจ์เราอ่อนตัวเนี่ยวัตถุที่เราเก็บไว้ในกล่องดํามันเริ่มขึ้นมามันไม่ได้มาจากไหนหรอกแต่เนื่องจากมันเข้าไปอยู่ในถุงเดียวกันในกล่องเดียวกันมีกันออกมาคนละเรื่องความฝันมันจะเกิดได้เกิดดีฝันแต่ละคืนไม่เคยซ้ํากันเลยนะเอ๊ะมันมาได้ยังไงเราไม่เคยคิดเลย คิดแต่ว่ามันเข้าไปแล้วไปมิกกันออกมาใหม่เออเหมือนคุณแกงเนี่ยอะไรอะไรก็รวมหนึ่งหม้อแกงแต่ออกมาไม่ใช่ลดไอ้สิ่งที่เราใส่เข้าไปสักอันนึงทุกรสเลยนะเนี่ยรสพริกก็อย่างรสเกลือก็อย่างรสขิงก็อย่างรสขาก็อย่างรสผักก็ออกมาแล้วก็เรียกว่ามันอร่อยใช่ไหมมันจํารสไม่ได้เลยเหมือนกันไอ้สิ่งที่มันมิกเข้าไปในจิตแต้สมมติแล้วออกมามาเป็นความฝันเป็ความคิดใหม่ๆเพราะมันมิกกันเรียบร้อยแล้วคือมันผสมกันเรียบร้อยแล้ว นั่นจะไปแปลกใจไอ้สิ่งที่มันผูกขึ้นมาออกมาจิตใต้สานึกของเราทาั้งนั้นแหละมันไม่ได้ลอยว่าอย่างไหนหรอกแต่เนื่องจากความอะไรไม่รู้ไงเพราะเราไม่ค่อยสังเกตเพราะฉะนั้นเราต้องทําจิตที่มันไหลสํานึกให้เป็นพอเรียนเ ล, สนลยสติมากขึ้นจิตไหลสํานึกเป็นจิตรู้สํานึกอ่าเป็นจิตรู้สํานึกแล้วก็ค่อยทําความสารนไอ้ตัวกล่องดำของเราเรื่อยเรยที่มันเก็บ ม, มากี่เดือนกี่ปีอไม่ต้องชาเกินก่อนอะ แค่ตั้งแต่จำความได้มาถึงขณะนี้มันก็เยอะแยะไม่รู้กี่แสนกี่หมื่นเรื่องแล้วที่มันมันมิกมันผสมผ ส, มผสานกันอยู่ตรงนั้นดังนั้นะเวลาเครื่องบินตกมาเขาต้องหาอะไรก่อนหากล่องดำก่อนเห <c oughs> มือนกัน <c oughs> นะเราเป็นอะไรขึ้นมานักจิตวิทยาเขาต้องไปดูจิตใต้สำนึกของเราก่อนไปดูว่าจะทําไงที่จะให้จิตใต้สำนึกของเราทํางานนักนักจิตวิทยานะเขาแก้ปัญหาชีวด้วยการใช้ตรวจดูกล่องดำขึ้น ถามสอบถามประวัติชีวิตอะไรแล้วของเรามาเนะี่ยเราจะต้องให้ข้อมูลเขาให้มากที่สุดแล้วเขาจะแก้เราได้หลักการนั้นเดียวกันไม่ใช่ซับซ้อนเลยแต่เนื่องจากอะไระวิชาเพราะความไม่รู้ไม่วิปัสสนานี่ยแหละไปทําสมถะอยากให้จิตมันสงบอด้วยความไม่รู้มันสงบไม่ได้นะเหมือนเราพยายามกดทับใบกล่องดําให้แม่ทางานนะเนี่ยยิ่งกดมันก็ยิ่งดันเลยใช่ไหม ไม่ให้คิดมันก็ยิ่งคิดอ่ะเพราะเขาต้องทํางานของเขาระบายไอตัวที่ไอเก็บไว้ใต้สํานึกให้เป็นจิตรู้สํานึกแต่รู้สํานึกมีสองอย่างรู้สํานึกแบบมีสตินั้นกายกองดําตรงนั้นจิตสับคอนเชื่ยนนั้นกลายเป็นปัญญาเป็นญาณแต่รู้ใจสํานึกที่ถ้าออกมาทํางานด้วยความไม่รู้มันกลายเป็นอะไรสัญชาตญาณไม่ได้เป็นปัญญาญาณละเป็นสัญชาตญาณ น, นะ เพราะนั่นส่งเหล่านี้เราต้องวิปัสสนาเข้าไปอะไรเกิดตาเห็นอะไรคิดอะไรหูได้ยินอะไรอย่าไปอย่าไปคิดเอารู้เอารายการที่รู้เอานี่แหละเรียก ว, วิปัสสนาทีนี้ไอ้ตัวรู้เหล่านี้จะมีมากพอที่จะท่านเท่าทัานทุกๆส่วนเนี่ยเราต้องมาสั่งสมเพราะนั้นความเพียรเพื่อสั่งสมตัวรู้สั่งสมขณะแห่งการรู้เนี่ยยูนิตของความรู้ให้มากขึ้นให้ถี่ขึ้นเท่านั้นเอง เก็บหน่วยเหมือนกับเราชาร์จไฟอ่ะเก็บหน่วยทั้งความ <c oughs> ประจุของเอนิชีคือไอ้พลังงานนะครับมาไว้ไว้เวลาคุณไปใช้กดแช่มันก็สว่างเลยใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ไอ้ยูนิตที่เราสั่งสมงให้หมดมันก็ต้องไปชาร์จใหม่แต่ในกรณีที่คนที่เกินจเจริญสติแบบนี้ยังไม่เป็นอัตโนมัติก็เหมือนกับชาร์จแต่ละคราวไปประมติรื่ัดก็ไปชาร์จใหม่แต่ท้าวันไหนเจริญสติจนกลายเป็นอัตโนมติเป็นปรมามัดแล้วมันก็ติดอะไรติดใดชาใช่ไหมติดได้ชารถยนตยน่ะ อพอทําเครื่องรถยนต์ทําเครื่องปั๊บมันก็เป็นไงก็ชาร์จของมันเองออโต้ชาร์จกับเทมโพลิชาร์จเทมโพลิชาร์จคืออะไก็แบตเตอรี่ทั่วไปถึงหมดก็ไปเสียบเขาเรียกเทมโพลิชาร์จหมดครา้งหนึ่งก็ชาร์จเครื่องหนึ่งแต่ถ้าติดได้ชาร์จได้เขาเรียกออโต้ชาร์จใช่ัหม Auto ge, อ ge, อโต้ชาร์ <c oughs> <c oughs> จเขาเรียกปรมาณเทมโพลิชาร์จเขเรียกลูกหนาวเข้าใจหรือยังอชาร์จไปข้าวคล้าไปเพราะมันยะังไม่เสถียรไม่คงที่หมดแล้วก็ต้องนะนะนะนะ ดังนั้นหลักของรูปนามเนี่ยถ้าเข้าใจหลักอันนี้อันเดียวนะมันก็ทะลุปู่โป่งไปหมดอ่ะแต่ตั้งใจเวลาในช่วงนั่งรำเนี่ยอย่าไปหวังความสงบนะถ้าสงบด้วยความไม่รู้เนี่ยอย่าไปเอามาใช้เลยเพราะมันก็ให้เกิดมานะอวิชชาเอามาเป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นปฏิหารแข่งกันของขังของขังเครื่องลังศักดิ์สิทธิ์เอามาจากอำนาจอันนี้ทั้งนั้นออกมาจากอํานาจความไม่รู้ทั้งนั้นแล้วประเทศไทยแล้วก็ เอาความไม่รู้เนี่ยมาแจกจ่ายกันใช่ไหมเวลาไปวัดไหนพระแจกดูแจกเหรียญอู้ดีใจคือแจกอวิชชานีแจกความโง่เนี่ะแต่เราก็เราอย่างโอ้โหเห็นบุญเห็นคุณเลยนะก็เพราะอวิชชานั่นเองอ่อแต่โอ้โหบางทีก็ขายความโง่ได้ราคาเป็นแสนแสนลนล้านนะองอะไรพระอสมเด็จนั้นสมเด็จนี้นัสมเด็จเวลาค้างอมเป็นแสนเป็นล้านขายความโง่กันน่ยแต่เราก็โอ้โหเห็นบุญเห็นคุณเยอะเหลือเกินใช่ไหม เช่นไมยอมแก้วยอมแก้วนี้เยอะเลยจากพัดว่าอาจะแจกแจกความโง่มาเยอะเลยด้วยนะเพราะมารู้ยังมาโยนทิ้งหมดเลยนะแต่คนก็ชอบให้นะเห็นว่าเราเป็นพระก็จะชอบพระอะไรนะแต่เราเอาพระนี้ให้เขามไม่ค่ยเอาหรอกพระเคลื่อนไหวให้เนี่ยนะฮนะพระที่มีชีวิตให้เนี่ยหลวงพ่อขอพระหน่อยอาคุณจะเอาลระบอทั้งองค์เลยนะโดยเฉพาะตํารวจจราจรใช่ไหม เวลามันบอกลดให้หยุดอะมันเห็นว่าเป็นพระมันก็ไม่กล้าว่าเลยโอ้หลวงพ่อรีบไปฉันเฟนข้างหน้าเลยโชเพื่อเก่าร้อยสีสีขอโทษด้วยงั้นขอพระหน่อยหลวงพ่อโอ้คุณเจ้าเลยท่าองค์เนี่ยคุณเจ้าเมื่อเนี่ยขาก็หัวเราะนั่นนี่เออ พระส่วนใหญ่ก็พกลูกพกเหรียญใช่ไหมไปเจอไอ้ท่าจนบอใจจดจ่อขวบมันก็ชินนะทีอะพอเจอพระอย่างเราว่ามันไม่ใช่แล้วทีเพราะฉะนั้นเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยประเทศไทยเรามือนกลายเป็นประเทศเป็นนักเลงเป็นมาเฟียเป็นเจ้าพ่อว่าเป็นแกง๊งเปนาานงน็นมาจากอนี้ทั้งนั้นะมาจากอยจากพระทั้งนั้นแหละที่จะว่าไปนันน ะ, นะนะพระแจกให้ทั้งนั้นหลายสิ่งแล้วเนี่ยเอาไปพัฒนากัน น่าช่ำชัยไหประเทศพุทธมาตั้งสองฝันกว่าปียังแจกของโง่กันเฉยเลยน่าช่ำชัยมากมากเลยนะแล้วพวกเราจะเป็นอย่างนั้นอีกไหมเพราะนั้นกลับไปบ้านมีพระลูกผ้าเหรียญโยนทิ้งให้หมดนะแต่โยนมาที่แพ้แสงเทียนก็วิ่กันนะ <c oughs> ขายเอาเกี๊ข้าวมาเนี่ยขายของโง่ต่ออีกนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็พยายามนะพยายามศึกษาเรื่องนี้ให้ดีประเทศไทยไม่ใช่โง่ธรรมดาความโง่กรอบทอง นะความโง่ฝังเพชรในนั้นแหละคนนึกออกไหมความโง่กรอบทองนะอะออมาแล้วเศร้าจริงๆเนะก็ได้ทำงานหนักทั้งปีอย่างเงี้ยเพื่อจะไปบอกให้คนเลิกโง่เดี๋ยโมันช่างยากเย็นเหลือเกินเนะี่ยทำหน้าที่นไปนั้นๆก็ในเรื่องของรูปนามแต่ถึงเปิด ป, ดปิงเลย น, นนะไปคนละแน่งเลยนะแต่ก็ยังอยู่ในรูปนามเนาะ ศึกษาก็โอเคเขาก็เป็นไปก็เขายังไม่รู้เรื่องนี้ก็สงสารเขาน่าจะไปว่าเขานะแล้วเราก็ทําเรื่องของเราไปแล้วก็ถ้าเรามีความสามารถแเรวก็แนะเขาสําหรับคนที่มีอินทรีย์เบาบางมีทิฏิมณะน้อยแล้วมีความใ่ดีสูงเนี่ยคนเหล่านี้แล้วน่านำเสนอสิ่งดีๆเหล่านี้เขาก็รับได้ไหวแต่คนที่เขายังมีทิฏฐิมณะจัดมีวาสนาน้อยู่ก็ปล่อยเข้าไปก่อน ก, ก็ต้องเห็นใจเขาคนเขาเป็นอย่างไงมานานแต่สําหรับเราเนี่ยต้องทําในส่วนเราให้ดีทำวิปัสนาอย่าไปเสียเวลากับสมถะแต่ ส, สมถะมันมีสองแบบหนึ่งสมถะเพื่อเอื้อวิปัสนาซึ่งด้กล่างมาวันก่อนนะสองสมถะที่ไปคุรทางกับวิปัสนาสมถะแบบพรามคือทําด้วยความไม่รู้แต่สมถะแบบพุทธเนี่ยทำด้วยควา ม, มรู้การที่เกี่ยวข้องในรูปทั้งหมดเนี่ยก็เป็นสมถะอยู่แต่ เราเกี่ยวข้องในลักษณะที่รู้มันเรียกวาวิปัสนานะรู้ว่ามันเกิดอย่างไรความปวดเมันเกิดอย่างไรความง่วงมันเกิดอย่างไรความคิดมันเกิดอย่างไรมันทําไมมันจึงเกิดเมื่อกี้ก่อนหน้านี้มันไม่เกิดแต่ดีนี้ทําไมมันจึงเกิดอันเนี้ยข้อมูลเหล่านี้คุณต้องสังเกตศึกษาไม่ใช่ปล่อยไปแบบไม่รู้เห็นลําดับเห็นขบวนการเห็นขั้นตอนของมันชัดๆอันนี้คือขบวนการของสมถะแบบวิปัสนานะเห็นในส่วนที่เป็นรูปนะ แต่เห็นขบวนการอนิจจังทุกขังหน้าตาของรูปเห็นด้วยสติอณิอิจจังทุกขังหนาตาก็เป็นศีลสมาิปัญญามันเปลี่ยนของมันเองเขาเรียกมัน transform เปลี่ยนตัวนะนั้นเวลาเราจะลูกจะนั่งจะยางจะเดินมันมีข้อมูลอะไรเยอะแยะเลยถ้าเรามีความรู้แต่ถ้าเราไม่มีความรู้เราใช้ความเคยชิน มันก็เก็บสั่งสมตัวโมหะตัววิชาเข้ามาเลื่อยๆในการเคลื่อนไหวของเราแต่ถ้าเรามีสติในการรู้ในการตื่นตัวในการเคลื่อนการไหวมันจะเก็บสุบสมข้อมูลของสติสมที่ปัญญาเพิ่มพูนขึ้นไออาการเดียวกันมันจะเป็นอวิชาก็ได้เป็นวิชาก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวอะไรสัมมาถถทิฏฐิของเราอั น, นั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงนําเสนอสัมมาถถทิฏฐิเป็นองค์แรกเลยของมักใช่ไหมเขาจะให้ถูกในสิ่งที่เราเกี่ยวข้องในขณะนั้น เมื่อเกิดเข้าใจถูกแล้วมันก็เป็นวิชาล้วแต่ถ้าเราไม่สนใจไม่เข้าใจในสิ่งที่เรากับลราเกี่ยวข้องขนาดนั้นไม่รู้ไม่สนใจไม่ใส่ใจด้วยความคยชินก็อวิชาก็เกิดทันทีทําสิ่งเดียวกันน่ะแต่ได้คนละอย่างนะทุกคนก็เคลื่อนไหวเหมือนกันแต่บางคนได้สติสมถิปัญญาแต่บางคนได้อวิชากันหาอุปท า, านใช่ไหมมันมันคนละขั้วเลยขึ้นอยู่กับว่าเรารู้สึกตัวชัดไหมในการเคลื่อ น, นการไหว ภตาแต่ละครั้งเนี่ยก็วิชาวิชาก็เกิดละ่ะใช่ไหมหายใจเข้าออกแต่ละครั้งวิชากั็วิชาก็เกิดละ่ะแต่ใครจะเกิดวิชาใครจะเกิดไม่วิชาเรารู้กันไม่ได้ดังนั้นเราแต่ละคนถึงการปฏิบัติถึงก้าวหน้าล้าหลังต่างกันยังไงบางคนก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆบางคนก็ถอยหลังเรื่อยๆบางคนยิวิปัสสนาไปเรื่อยๆก็ยิ่งเจ็บยิ่งป่วยยิ่งพ่ายยิ่งแผลยิ่งเพียนไปเรื่อยๆ แต่บางคนปริพันาไปก็ยิ่งแจม่มยิ่งใส ย, ยิ่งเข้มแข็งปัญญาฉะฉานแตกฉานไปเรื่อยๆเห็นไหมถ้าเหมือนกันแต่ไม่ได้เหมือนกันแปลกไหมนะเพราะฉะนั้นก็จึงมาแล้วจึงไม่อยากให้เสียเวลาเขายามในช่วงที่ปลุกความเพียรเนี่ยเก็บข้อมูลการเกิดขึ้นตั้งอยู่ยไะการเคลื่อนไหวต่างๆให้ชัดเจนไว้เสมอไอ้ตัวชัดเจนเรียกว่าปัญญาปัญญาเยธาติเวลาเราสวดทุกเช้าอ่ะ แต่ไม่เคย ค, ยคิดสวดไปงั้นแหละแต่แต่ละคาบาลีนี่หลวพอต้องคิดนะว่าทําไมเขาแปลว่าอย่างนั้นเกวราสาทุขขันธส า, าอันตะเกียยยาปัญญาเยธาติทํำฉนัยกันทําที่สุดแห่งของทุกทั้งสินนี้จะพึงปรากฏชัดเพราะขบวนการการเคลื่อนไหวมันทอย่างต้องปรากฏชัดในในการรู้สึกตัวของเรานะปรากฏชัดนั่นคือเป็นองค์ของปัญญาปัญญาแปลว่าปรากฏชัด เพรว่ารู้ชัดเพราะว่าเห็นชัดเพราะวเข้าใจชัดเรื่องขอปัญญาถ้ามันไม่ชัดมุมเบลอเพลอลืมๆไปไงตัณหาหรือหมูหัดเกิดแล้วอวิชชาเกิดแล้วในขณะนั้นเน่ยเวลานั่งเปนานมันเบลอมันเบื่อมันง่วงเนี่ย อ, อะไรเกิดวิชาเลือกวิชาเกิดอวิชาวชาได้ทําไมละอวิชชาได้ทุกวัน เออแปลกไหมทั้งที่รู้ว่ามันมันไม่ไม่ควรจะสั่งสมแต่แเราก็สั่งสมเอาสั่งสมเอาใช่ไหม <c oughs> มันมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆเลยที่คนทั่วไปเขาเป็นกันดังนั้นการตื่นตัวแบบวิธีการของพระเทียนตื่นตัวให้รู้รู้เนรู้ตัวนะไม่ใช่ตื่นตัวแบบเพื่อที่จะให้สงบไม่ใช่เราไม่ต้องการคอยสูบแบบไม่รู้แต่ถ้าทารู้สึกตัวนี้แล้วมันก็สงบดือการแต่สงบแบบรู้ ไอการที่จิตไม่ปรุงแต่งก็ถือว่าสงบแล้วสงบจากการปรุงแต่งอย่าไปสงบจากอารมณ์มางคนพยายามที่สงบจากอารมณ์ไม่ให้ความคิดไม่ให้อะไรมันผ่านเข้ามาในใจเลยนะไม่ได้ตัวอารมณ์นั่นแหละถ้าเราเกี่ยวข้องมันถูกมันจะกลายเป็นตัวปัญญานะงั้นปัญญาเกิดมาจากที่ไหนอันนี้เราปฏิบัติสมถะเราไปบล็อกไม่ให้เกิดปัญญาเพื่อให้จิตมันว่างว่างแบบสูญเากาศนะไม่ใช่ว่างแบบมีอาการนะมันก็เลยดับ ปัญญาของตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ัได้เกิดพลังอำนาจไปทางนึงอันนั้นก็คืออย่างที่กล่าวมาแล้วก็คือผลพวงของมันทาให้เร า, าขายควา ม, มูลราคาแพงเงีที่เราเห็นทุกวันเลยเนาะของโงลฝั่งเพชรข้โอโงลติดทองเอออันนี้ผลญญของการพัฒนาแบบนั้นช่วยที่ไปศูนย์ยั ญ, ญาตาต่ออีกได้ไหมคของมหาวินยาลกตรไทยธรรมอ๋อศูนย์ย ญ, ญาตาของมหาทยาลัยเกษตรไทยธรรมมันหนักกันนะศูนย์ยั ตาเนี่ยในในตัวนี้มาจากคำว่าสุคำหนึ่งยาคำหนึ่งยาไปว่ารู้สุไปว่าดีไปว่าดีไปงามไปว่าง่ายไปว่าชัดเอามาบวกเข้าเป็นสุญญะไอ้ตานเป็นปัจจัยทางภาษาเขาว่างเปล่าจากความหมายแห่งความตัวตนคือว่างเปล่าจากความปรุงแต่ง คือความหมายสุญญาตาเดิมนะแต่เราเอามาใช้ผิดเป็นสุญญากาศเป็นสุญญาเป็นอัตตาคือหมายความว่าว่างเปล่าจากการที่ไม่มีอะไรนั้นมันผิดแต่ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนคือว่างเปล่าจากความคิดและความปรุงแต่งอัตตาตัวตนมันเกิดได้เมื่อเราคิดเราปรุงแต่งเท่านั้นใช่ไหมถ้าเราไม่คิดไม่ปรุงแต่งอัตตาตัวตนเกิดได้ไหมพอไม่คิดไม่ปรุงแต่งสุญญาตาก็เกิดแล้ว โดยที่ไม่ต้องโดยที่ต้องมาตึงรู้คาว่าสุญญาตาก็ได้นะกำเนิดของคํานี้โอ้เรื่องยาวนะเอาไวท้ทีหลังก็แล้วกันอ่าก่อนที่มันจะเป็นตัวสุญญาตาเนี่ยเพราะนั้นคาว่าสุญญาตาคือคื อ, ค, อคือว่างจากการปรุงแต่งนะเมื Μ ่อกี้บอกเออสุญญาตากับวิสังขารต่างกันถ้าเราเข้าใจผิดมันคนละความหมายแต่เข้าใจถูกมันความหมายเดียวกันทาให้สุญญาตากับวิสังขารคือการไม่ปรุงแต่งว่างจากการปรุงแต่ง ขณะที่ยกเนี่ยเป็นสุญญาตาหรือยังไปแล้วเพราะจิตไม่ได้ปรุงแต่งเรื่องอะไรใช่ไหมจิตเต็มไปด้วยสติสัมยาที่ความรู้นั้นเป็นสุญญาตาแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เราก็าไปโปโมอดคเนี้ยไปอีกความหมายหนึ่งอยู่ด้วยสุญญาตาธรรมอยู่ด้วยสุญญาตาวิหารอะไรเนี่ยแต่เราเวลาที่เราสร้างจังหวะมันเป็นสุญญาตาวิหารอยู่แล้วอะ่ะคือมันจิตมันไม่ปรุงแต่งอยู่แล้วแต่เมื่อไรเผลอสุญญาตาก็หายไปมันเป็นอะไรอ่า กลายเป็นอนัตตาไปลนะกลายเป็นตัวอัตตาไปนะนั้นในจุดนี้จึงไม่จึงไม่ต้องสงสัยว่าภาวะสุญญาตาคือภาวะที่จิตไม่มีการปร่งแต่งก็เป็นสุญญาตารู้ชัดรู้ดีว่าอะไรเกิดขึ้นในนี้นั่นแปลว่ารู้ชัดสุดีงามง่ายชัดเจนบวกยาถึงไปรู้สุญญาสุญญา ใช่ไปัญญาเนี่ยไหมปัญญาที่ว่ารู้ชัดอะปัญญาปัป่นปากด้วยไม่ชัดอย่ารู้รู้ชัดคือปัญญาสุญญาคือรู้ดีรู้ชัดรู้แจ้มสุญญาอันเดียวกันรากสามัญอันเดียวกันนะเข้าใจไหมพอเนาะก็ขอโนโาวนาสาธุมีความตั้งใจที่เราจะเรียนรู้วิปัสสนาอย่างเข้าจิตเข้าใจ ทุกเวลานาทีที่ผ่านไปให้เกิดการเรียนรู้การศึกษาสิ่งที่การเรียนรู้ศึกษาที่ไม่ต้องคิดแต่มันมีอยู่แล้วเพียงได้เข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปดูเข้าไปตามรู้ให้ต่อเนื่องเท่านั้นก็จะหายสงสัยภาะวะอันนี้เขาเรี่ราภาวะที่เป็นมรรคผลวิภานเริ่มต้นนี้เขาให้เป็นสมบูรณ์ในอนาคตอันไกลนี้ด้วยการทุกคนดูท่านถิด